คนเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นเลยเหรอถ้ากดขั้นพื้นฐานของธรรมชาติคือไม่มีอะไรเที่ยงการเวียนว่ายตายเกิดก็น่าจะต้องเสื่อมสลายไปเองด้วยแม้แต่ดวงอาทิตย์ยิงดับได้แล้วทำไมภพชาติจึงดับไม่ได้ที่ดวงอาทิตย์ยังลุก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 เที่ยงที่จะเป็นเช่นนี้ตลอดไป